ดรสุกิจนิติในอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกับบริษัทสตองไทยแลนด์จำกัดและบริษัทบางกอกไฮแลนบ์จำกัด เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการอันนำไปสู่ความเป็นเลิศ ด, ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสร้างความร่วมมือในการจัดอบรมสัมมนาตลอดจนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ครุพันธ์และข้อมูลต่างๆเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้องให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และาคณะขุนศึกษอุตสาหกรรมซึ่งภายใต้ความร่วมมือนี้ทั้ง3องค์กรจะร่วมกันดําเนินการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างประสบการณ์ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาบุคลากรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยทิติรแสงุบุญเกิดมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานคณะกรรมการนโยบายการเงินขึ้นดอกเบี้ยอาจไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจและความเชื่อมัน่นเนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการส่งออกที่มีสัสดส่วนเกือบ 70% เซ์ของ GDP นายสุพันธ์มงคลสุธีประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือส อ, อทกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนองอว่ายังไม่อยากให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในขณะนี้เนื่องจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการส่งออกที่มีสัดส่วนเกือบ 70% อร์ซของ GDP ภาคเอกชนคงไม่ชอบให้มีการขึ้นดอกเบีย้ยเนื่องจากถ้าขึ้นดอกเบีย้ยต้องส่งผลกระทบอย่างแน่นอนเพราะธุรกิจต้องกู้เงิน ทั้งนี้จากการประเมินคาดว่าการส่งออกดีแต่รายย่อยยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรจึงอยากให้มีการพิจารณาอีกครั้งหากจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุนต่างประเทศนั้นคงจะช้าเกินไปเพราะมีการไหลออกไปมากแล้วการขึ้นดอกเบี้ยไปในตอนนี้ก็จะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจภายในประเทศรวมถึงความเชื่อมั่นอีกด้วย